อถ้าพร้อมแล้วนะต่อไปก็เข้าสู่การภาวนาอย่าไปคิดอะไรมากลืมเก่าๆไปมั่งก็ได้เอาแต่แค่กายแค่ใจนี่ชีวิตเราตอนนี้มันไม่มีอะไรนะมันมีแค่กายแค่ใจพระพุทธเจ้าจะเรียกว่ารูปนามรูปนามกายใจคือชีวิตคือตัวที่สมมติว่าเป็นเรานี่แหละที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละท่านว่าให้ บาลังกัอาพุชิตวานิศีดติคือนั่งขูบาลังนั่งขูบาลังก็คือทำทําวงขาในช่วงล่างของเราเนี่ยให้มันตั้งให้มันตั้งแบบสบายๆนะไม่ให้มันเอียงไม่ให้มันเองนไม่ให้มันขัดแย้งกันมากตั้งแล้วมันเหมือนกับว่ามันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันช่วงกล้ามเนื้อช่วงอะไรต่างๆนี่ที่มันไปรองรับการกดทับของกระดูก เราก็ปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาให้มันเกิดความสบายดูสิมันสบายไหมาบางทีมันบางทีมันกล้าเนื้อพังผืดไขมันอะไรต่างๆเนี่ยโดนกระดูกเราไปกดทับเนี่ยเราจับมือเนี้แล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วกค่อยๆวางมันลงไปใหม่เออมันก็ดีขึ้นเราก็ปรับให้มันเกิดความสบายเมื่อนั่งเรียบร้อยอูจุงกายยังปานิทายะคือตั้งกายให้ตรง นอกจากตั้งกายให้ตรงและให้นิ่งไว้ด้วยปรับหน้าปรับคอหน้าเนี่ยให้ตรงแข็งเกินไปก็ไม่ดีก้มมากไปก็ไม่ดีเกรงส่วนไหลซ้ายไหล่ขวาต้นคอก็ไม่ดีเราก็พยายามปรับขยับพอมันตรงได้นิ่งได้นี่พระเจ้ า, าอูชุมกายยังปานิทายะยาดือ้อนะพระเจ้าสอนอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้ อุยุงกายอย่างบันนี้ตยายะทำให้มันเกิดความสบายให้มันตรงให้มันนิ่งให้มันสบายจากนั้นท่านก็สอนว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคือทำความรู้สึกเข้ามาอยู่เฉพาะหน้าตั้งแต่เติมต้นตั้งแต่ใบหน้ารู้สึกได้ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏอยู่ในเฉพาะหน้าในขณะ น, นี้เราก็ไม่ได้ทำอะไร แค่เพียงแค่พากายใจชีวิตนี้มาตั้งนั่งนิ่งๆเพื่อที่จะรู้ลมหายใจอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดเฉพาะหน้าของเราจากนั้นก็น้อมจิตเข้าไปที่ช่องจมูกเหนือเหนือริมฝีปากด้านบนใน่ปรงจมูกแล้วเราก็ทดสอบลมหายใจของเราสิ ลมหายใจออกลมหายใจเข้า ว, ว่าเรารู้สึกกับลมหายใจไหลออกไหลเข้าตรงไหนได้ดีเราก็คอยเฝ้าอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าโซสโตวะอัสติสโตปัสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า ตอนนี้สติคือความรู้สึกของเราไม่ไประลึกอยู่ที่อันอื่นอีกแค่รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้านี่เรียกว่ามีสติกับลมหายใจออกมีสติกับลมหายใจเข้า ต่อจากนี้ทีครั้งว่าอัสัรนโตทีครั้งอัจฉริมีติปัญานาติคือรู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาวให้เราทำลมหายใจของเราให้เบากลางและก็ยาวยาวกว่าปกติของเราแต่ยาวที่ทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัด คู่แรกๆอาจจะยาวมากๆจิตรู้อยู่ที่เดิมอยู่ที่ดิมเนื้อริมพี่ปากด้านบนนะถึงสามารถรู้การไหลข้าวไหลออกของลมหายใจตรงนั้นได้พอลมหายใจเลื่อนออกนี่เราสามารถรู้สึกได้ตรงนั้นไม่ต้องไปทําอะไรมากแต่ลมหายใจนั้นทําให้เขายาว เมื่อลมหายใจยาวออกสุดลมหายใจสั้นก็จะค่อยๆไหลตามเข้ามาเราจะต้องประคองลมหายใจสั้นเพราะลมหายเอมลมหายใจเข้าก็จะตามเข้ามาเราต้องประคองลมหายใจเข้าไม่รีบร้อนถ้าปล่อยเราด้วยความรีบร้อนลมหายใจเข้ามันก็จะเข้าไปแรงเมื่อเขาเข้าไปแรงเขาก็จะสั้นแต่เราปลาเราทําลมยาว เราจะรู้ลมที่เขายาวมันลมหายใจออกยาวก็ลมหายใจเข้ายาวรู้อย่างนี้ทำลมหายใจกลางๆไม่ให้อึดอัดท่านตลอดระยะเวลาจากตรงนี้ไปให้ทุกท่านอยู่กับลมหายใจยาวไม่ต้องวิ่งเข้าไม่ต้องวิ่งออก รู้จุดเดียว ศึกษาจัดการใส่ใจนมใจให้ลมใจให้ลมหายใจที่ไหลออกลมหายใจที่ไหลเข้าเป็นลมยาวสม่ำเสมอ ตอนนี้อยู่ลมยาวนะอย่าพยายามพาลมพาใจไปรู้ลมแบบอื่นลองแน่วแน่อยู่กับลมยาวให้ได้ดูที่จะเกิดอะไรถ้ามันอื่นอาจก็ประคองปรับลมจัดการศึกษาจัดการเรื่องลมยาวให้มันลงตัว ความห่วงความฟุง้งสองตัวความห่วงก็ตั้งกายให้ตรงความฟุ้งก็ตั้งกายให้ตรงอย่าปล่อยให้มันฟุ้งไปเรื่อยอย่าปล่อยให้มันห่วงไปเรื่อยยืดกายให้ตรงพอความห่วงดับแล้วก็ไปรู้ลมยาวต่อ จิตมันราบเรียบมันรื่นตังเกินความรู้สึกสบายใจกับการรู้ลมยาวโน้มเข้าไปด้วยความใส่ใจเราก็ทำความรู้สึกในการที่จะเข้าไปรู้ลมหายใจให้มันละเอียดยิ่งขึ้น Workers, ทําเกิดความราบเรียบสนิทแล้วนิ่งอยู yes. be, ่กับลมหายใจดันได้แล้วลมหายใจยาวได้แล้วจิตนิ่งรู้อยู่กับลมหายใจยาวได้แล้วเราก็ทำลมหายใจนั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นโดยเอาจิตที่เ้าไปรู้นั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นรู้ลมหายใจออกให้ละเอียดยิ่งขึ้น รู้ลมหายใจเข้าให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยอำนา จ, จนด้วยอานาจของความพอใจความสบายใจที่มันปรากฏอยู่ พอจิตรู้จับลมยาวได้ถนัดลมยาวเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องถูกรู้ของจิตจิตก็จะเห็นลมยาวเป็นธรรมชาติเป็นบางครั้งพอจิตรู้มันรู้การไหลออกของลมไหลเข้าของลมตอนมันแค่รู้ ก็ความกำหนดมันลดลงรู้มันก็จะโตขึ้นชัดขึ้นแต่ถ้าความกำหนดมันมากกว่ารู้รู้ก็จะเบาลงความกำหนดที่มากกว่ามันจะบมองลมหายใจ ทั้งสายคือมันมีความรู้สึกตั้งแต่ลมหายใจเริ่มไหลแต่จิตมันมันขยายไปดูความสิ้นถุดของลมในขณะที่ลมกําลังไหลอ ย, อยู่อันนี้เป็นเรื่องของความกําหนดแต่จิตที่รู้มันจะดูสึกแค่ลมที่ไหลผ่านในจุดที่รู้เท่านั้น ตัวจิตเกิดความรื่นเริงคือมีความรู้สึกสงกบรื่นเริงพอใจในการรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ายาวอย่างนั้นตอนนั้นมันก็เราก็ ทำลมให้ละเอียดขึ้นจิตรู้ก็ให้มันละเอียดขึ้นณตอนตอนน้นกายจะนิ่งจิตจะเรียกว่าสั้นโตปนิโตอาเสจนกโกสันโตคือว่ามันจะมีความรุนเรงแบบสหบปปนิโตคือปราณีตอาเสจนกโกนั้นคือชัดเจน มันมีการรู้ในลมที่ถูกรู้นั้นชัดเจนมันสังหบมันประนีตแล้วก็ทำความประณีตทำลมนั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็รื่นเริงน้อมจิตเข้าไปด้วยความพอใจในการรู้ลมยาว เวลาฉันทะเกิดจิตมันจะชำ้ำภายในมันจะชำ้ำทุกอย่างเหมือนมีน้ำหนักแต่มันเบาน้อมก็ไปเพื่อรู้ลมหายใจยาวแล้วก็ทำลมหายใจยาวด้วยความช้ำของจิตทำลมหายใจยาวให้ละเอียด ให้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนมันสงบมันประท่านโตปันีโตคือมันสงบประณีตอาเซจนนโกมันชัดเจนมันเกิดความชัดเจน นี่ก็ค่อยคอยประคองจิตรู้ไปที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่ข่อข้างขวาให้จิตรู้สึก ยกจิตมาที่มือข้างซ้ายให้จิตรู้สึกขยับปลายนิ้วมือซ้ายแล้วยกมือซ้ายขึ้นเคลื่อนไปช้าๆไปวางไว้ที่ข่าข้างซ้ายยกจิตมารู้สึกที่ใบหน้าแล้วก็ผูกหน้านิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิตอนนี้ป ร, ราออกมาจากลมหายใจข้อขอ ง, ของหายลมหายใจยาวเราสังเกตว่า นี่อนนี้เราออกจากรลมหายใจแล้วแต่จิตยังอยู่กับลมหายใจยาวเบาๆอุเบกขาที่มันเกิดขึ้นจากการที่จิตอยู่กับลมหายใจยาวมาอย่างต่อเนื่องอุเบกขานั้นยังตั้งอยู่จิตรู้ที่ตั้งอยู่ตามธรรมชาตินั้นจะวางตัวอยู่บนอุเบกขานี่เป็นสมาธิที่ออได้จากการรู้ลมหายใจยาว บางคนก็ถึงขนาดที่ว่าจิตเข้าสู่ความสหบได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าแต่และคนจะเป็นอย่างไรแต่ทางของการรู้ลมหายใจมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เราจะได้มีสองตัวหลักคือสติกับสมาธิสติกับสมาธิที่เราได้มานั้นมันจะทำให้เราสามารถเห็นตามความเป็นจริง ได้ถ้าสติหรือสมาธิที่ไม่ตั้งอยู่บนอุเบกขาแล้วเห็นนั่นคือการคิดเห็นทั้งสิ้นการคิดเห็นให้ความรู้ได้ให้ให้ความรู้ได้แต่แต่มันไม่ชัดเจนมันไม่เป็นอาเซจนาโกมันไม่ มันไม่จริงมันจริงในชั้นของการคิดด้วยอำนาจของสัญญาแต่มันไม่ได้จริงด้วยอำนาจของความรู้จริงที่ว่าวันนี้พระยามาสอนเพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับสภาวธรรมอันหนึ่งที่ชื่อว่าอุเบกขาอุเบกขาคือความนิ่งความเฉยของจิตที่เกิดขึ้น มาจากการที่จิตมันเป็นกลางปราศจากอคติและจิตหลีกออกมาจากสิ่งที่กําหนดนิ่งอยู่อย่างนั้นความนิ่งที่ปรากฏนั้นได้เรียกว่าอุเบกขาซึ่งความรู้ที่ตั้งอยู่บนอุเบกขานั้นจะมีสติสมาธิอยู่มันสามารถที่จะมองเห็นสิ่งทั้งปวงได้ตามความเป็นจริงมันไม่จะปไปไหลหลงอยู่กับเรื่องราวมันจะไม่ได้ไปติดอยู่กับสิ่งที่บุ้งแต่ง มันจะเห็นตามความเป็นจริงของทุกๆเรื่องอันนี้เป็นความรู้ตั้งอยู่บนอุเบกขาที่เกิดขึ้นจากการที่จิตหลีกออกมาจากอารมณ์ที่กำหนดเป็นอุเบกขาสมาธิที่ฝึกเกิดขึ้นเป็นผลเฟืองจากการฝึกซึ่งวันนี้นำพวกเราเข้ามารู้ลมหายใจยาวเราจะรู้ได้ว่าแค่ลมหายใจยาวอย่างเดียวไม่ใช่ธรรมดาแต่สามารถที่จะเดินจิตถึงสภาวะต่าง ในเรื่องของอานาดได้เยอะมากในลมหายใจยาวอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ก็เหลือห้านาทีสิบเอ็ดนาฬิกาให้หลังจากนี้ไปก็เป็นถามตอบปัญหาได้ช่วงเช้านะแต่ว่าคงไม่มีใครถามรอกเมื่อกี้พูดถึงคำหนึ่งจิตมันชำ่ำใครเข้าใจในความรู้สึกนี้ไหมใครมีสภาวะนี้ไหม จิตช้ำคือป ร, คคปรากฏของจิตในขณะที่มันไปรู้ลมหายใจความรู้ในขณะนั้นมันทำให้ข้างในมันหนักแน่นโปร่งเบามันเกิดความชําขึ้นมาที่จิตเหมือนมีน้ำหนักอยู่ภายในแต่กายมันจะนิ่งจิตที่โน้มเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจนั้นมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวกัดฝังแรกๆมันจะมีเป็นขยักขยัก นั่นนิดนี่หน่อยแต่พอวนนานเข้านานเข้ามันไม่มีเลยจิตมันโน้มก็ไปสู่ลมหายใจแบบตรงๆชัดๆและที่รู้นั้นมันชํามันมีน้ําหนักเย็นๆ ร, รู้รู้รู้รู้แล้วก็เกิดความพอใจขึ้นมาอย่างประหลาดคืออันอื่นไม่เอาแล้วแต่ก่อนนั้นเนี่ยนั่งกังวลอยู่กับเวทนาเมืงองนนทมืงอง น, นี้มัอง ปวดซ้ายปวดขวาปวดเข่ า, ป ว, ขาปวดแข้งปวดขาจึงกระทั้งปรุงแต่งนึกว่าอีกกี่นาทีนะหลวงพ่อจะหยุดนา น, น, นกี่นาทีแล้วอะไรเงี้ยมันมาจากทุกขเวทนานะทุกเวทนามันมาแล้วมันช่วยทําให้สัญญาเกิดการปรุงแต่งขึ้นเรียกว่าทุกขสัญญาเป็นสัญญาที่นําพามาที่สัญญาที่พามาให้เป็นทุกขและช่วยกันปรุงแต่งจนทําให้จิตเนี่ย เรามีความมุ่งมั่นแหละยังอยากจะนั่งอยู่นะแต่ว่ามันแหมมันอุปทานในทุกมันอุทามอุปทานในสัญญามันยิ่งเพิ่มพออุปทานในสัญญามันยิ่งเพิ่มความปวดหรือทุกขเวทนาที่ปรากฏดูยิ่งมีกําลังให้เราจะสู้กับมันด้วยวิธีไหนด้วยวิธีการยืดกายให้ตรงก็สู้ไม่ได้เพราะว่า อุปทานสัญญาในอุปาทานมันเยอะมันมีกําลังไอ้ไนี่ก็เอาใหม่ะมันยังไงก็ลุกขึ้นไม่ได้อีกข้างหน้าลุกขึ้นตอนนี้ก็มันอายเขาเดี๋ยวโดนโดงพ่อว่ามั่งอะไรมั่งสะาพานเวกล้อมันบังคับไอเอาใหม่จะนั่งทำไมเยอะเอาใหม่ว่าหาลมยาวใหม่หาลมยาวใหม่หาลมยาวใหม่ไปเรื่อยเรื่อ ย, อยพอหาลมยาวไปไปไปไอ้ทุกสัญญาเมื่อกี้มันมัน มันหายไปพราะทุกสัญญามันหายไปมันก็นั่งไปเรื่อยเรื่ยย ย, ย, ยมันโอกาสที่จะเกิดความฉ่าเกิดขึ้นได้พอความฉ่ำที่ว่านี่เกิดขึ้นได้นี่คือทางของฉันทะนะพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทุกคือเวทนาตัวเมื่อตกี้ตัวที่เคยเกิดน่ะมันก็เกิดขึ้นใหม่แต่กําลังของมันอะ่ะไม่พอที่จะทําให้จิต ยกออกมาจากลมหายใจได้ความรู้ลมหายใจยาวที่ราบรื่นอยู่นั้นมีกรู้นั้นมีกำลังมากกว่าเวทนาที่ปรากฏนั้นรู้มันจึงแค่รู้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมมันจะมีแค่รู้เมื่อเมื่อเขามีแค่รู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาและเจตนาที่จะยกเข้าไปเพื่อปรุงแต่งใดๆ มันมีแค่รู้เนี่ยมันก็เพราะรู้ที่มีสลงหายใจมันมีกําลังมากด้วยความฉ่าของจิตฉ่าตัวนี้คือด้วยกระแสของสันทะหรือสันทนะเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมันรู้แต่ไม่มีไม่มีอิทธิพลไม่มีอำนาจในการที่จะดึงจิตออกไปมันก็แค่รู้แล้วมันก็มารู้ลมหายใจอีกรู้ลมไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยก็เวทนานี้มันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็ดับพอเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยเืืยื ย, ยวทนาเกิดเราก็รู้เวทนาดับก็รู้จิตมันมารู้ชัดว่าเวทานานี้มันแค่เกิดขึ้นและก็ดับไปได้แต่มันยังไม่ทันเกิดขึ้นมันยังไม่ทันเห็นเวทนาเกิดขึ้นและดับไปได้หลวงพ่อเลิกก่อน อุตสาห์อุตส่าห์ทนมาจนกระทั่งว่าจะนั่นเลยนะทนมาจนกระทั่งว่าเริ่มความเพียรใหม่ใช่หไหมเวลาเราเริ่มควาเพียรใหม่สังเกตสิตัวที่จะช่วยเราที่สุดคือศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธเจ้านี่มันจะมาปลูกใจเราบอกหลายครั้งหลายคราแล้วนะมันศึกษาพระพุทธเจ้าให้เป็นพุทธรัตนะให้เป็นพระพุทธนาถ ให้เป็นสระณะในใจของเราให้ได้แล้วทุกอย่างมันง่ายถ้าเมื่อใดเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นนาถเป็นสระณะมาเป็นอิสระคือว่ามาเป็นนายมาเป็นนายกพระพุทธเจ้ามาเป็นนายกในใจของเรามันง่ายง่ายเหลือกเกินนะเพราะสิ่งที่เรารู้กับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครทำอะไรมามั่งเนี่ย เมื่อเรายกขึ้นมาสู่ความเป็นนายกในใจของเราซึ่ง ม, มาเป็นเจ้านายในใจเป็นใหญ่ในใจเป็นที่พึ่งในใจของเราเนี่ยเป็นนาฏเราจะรู้ได้ว่าการอยู่ใกล้พระเจ้าเนี่ยมันอบอุ่นที่สุดปลอดภัยที่สุดกเกษมที่สุดมันมันมันสะดวกที่สุดมันสบายที่สุดมันสะอาดที่สุดมัน มันแคล้วคลาดมันมันเป็นแทบทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อเมื่อเราได้สภาวะแบบนี้นะนั้นคนปฏิบัติยิ่งปฏิบั ต, บ ต, บติจะยิ่งทราบซึ้งกับพระพุทธเจ้าคนปฏิบัติเมื่อได้สภาวะลึกลึกละเอียดละเอียดจะยิ่งทราบซึ้งกับพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ทราบซึ้งกับพระพุทธเจ้าสภาวะที่ปรากฏน่ะผิด <garlic> เพราะว่าอำ น, นาจของพุทธะโดยธรรมชาติมีสองส่วนนะที่เป็นพระพุทธเจ้าตัวตนอันหนึ่งท่านทําหน้าที่ของท่านทําหน้าที่ของพุทธกิจจบไปแล้วแต่ที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ใจของเราเนี่ยถ้ามีตัวศรัทธาเป็นตัวปลุกจิตใจนะปลุกปลุกใจเรานะเราก็จะมีพุทธรัตนะธรรมรัตนสังขารัตนะ เกิดขึ้นที่จิตเราตอนนั้นะมันสัมพันธ์กันได้แล้วมันจะทราบซึ้งเลยมันเห็นอํานาจของความสงบที่มันปราณีตแล้วมันจะมีปิติมันจะรู้เลยว่าโอยพระพุทธเจ้าเจ้านํ่นพาเราเข้ามาสู่ความสุขแบบนี้ความสุขที่มีอีกกี่หมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถเข้าถึงได้มันเป็นความสุขที่อาศัยองค์ความรู้ที่ถูกช่องของมันจริงๆจึ ง, จ, ง, จ, งจะเข้าถึงได้ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยอํานาจของพระพุทธเจ้าดึงมาให้ได้ก็ปลุกบางที่นั่งแล้วมันปวดนะข้างน้ําหนักเยอะๆเยอะบามันก็ปวดแต่น้ำหนักบางคนน้ําหนักเยอะหูนั่งสองสามชั่วโมงนะหลวงพ่อพุทธทาสนั่งเป็นวันนะเพราะน้ําหนักเยอะมันเป็นอะไรวะเพราะนั่งเป็นนะเนื้อมันเป็นเหมือนเบาะโซฟา อ้าวจริงจงนะแต่คนผมผอมอะหนังบางๆเนื้อน้อยๆกระดูกมันก็อัดลงไปโอ้โหพวกนี้บางทีมันก็ปวดเพราะฉะนั้นอ้วนผอมไม่ไม่ไมใช่แต่อายุนี่เกี่ยวนะ <c oughs> อายุนี่เกี่ยวเนอะอายุมากๆาบอกให้นั่งเก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้ไปถ้านอนไว้หัวเข่าเนี่ย ถนอมไม้เพ่ร่างกายก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะช่วยเราฝึกฝนขัดเกลาจิตใจถ้าเราไม่มีร่างกายนี้เป็นไงฮะไม่มีร่างกายเป็นไรนี่ถนอมกันนักหนานะืร่างกายเนี่ยใส่หน้ากากเอ้ยอะไรเอยอยู่กันห่างกันบางคนสวมจะเป็นชุดอวากาศแล้ว <laughs> ไปไหนไปผับไปบาร์ ไปถึงอุสาเปิดหน้ากากแง้มบบาๆจิบเบียรจิบเล่าไอ้ถนอมไปทํำไมถนอมเน้่เอาไปเผาใช่ไหมเออถนอมแล้วมัดอย่างงี้สิถนอมเพื่อเอาร่างกายมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจนี่มันคุ้มมากเพราะว่าพอฝึกฝนขัดเกลาจิตใจจิตใจเราที่ถูก ฝึกฝนขัดเกาลาระดูเหมือนว่าเห็นแก่ตัวได้ตัวเองไม่ใช่นะเมื่อเราฝึกฝนขัดเกลาจิตใจสภาพธรรมที่เป็นกุศลปรากฏสภาพธรรมที่เป็นกุศลมีอะไรฮริโอตปปะปาเบตาขันติสัจจะเยอะแยะไปหมดเลยสภาพธรรมที่เป็นกุศลปรากฏที่จิตไหนสังคมใดที่สภาพธรรมอันเป็นกุศลปรากฏอยู่ที่จิตของคนในสังคมนั้นเป็นส่วนมากสังคมนั้นเป็นยังไง เออมันก็เหมือนเหมือนเหมือนสันนนนงคมในอุดมคติที่เราพูดถึงคือในสมัยของพระศรีอริยเมตไตรในการขัดเกลาจิตเนี่ยมันจะเป็นในสังคมเป็นสังคมของพระศรีอริยเมตไตรก็ดูพวกเราที่มานั่งอันนี้เป็นเราเรานั่งสมาี่เราสังเกตได้เนี่เราสังเกตได้ใช่ไหม เรสังเกตที่เรานั่งสมาธิเมื่อกี้เรานั่งสมาธิจะมากี่นาทีพอออกจากสมาธิว่าเป็นยังไงสภาพจิตของเราเป็นยังไงสภาพจิตของเราหลังจากที่เราออกสมาธิหลังจากในขณะที่เรากําลังนั่งสมาธิมันเป็นสภาพจิตที่มีสภาพธรรมซึ่งเป็นกุศลปรากฏอยู่เยอะมากมันปรากฏอยู่ได้อย่างไรมันปรากฏมาจากการที่เราขัดเกลาร์ขัดเกลาด้วยศิ่ง ขัดเกลวด้วยความตั้งใจที่จะโน้มจิตเข้าไปหยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวพอเขาอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันขัดเกลวอะไรมันขัดเกลเพราะว่าจิตที่อยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วสันดานของเราที่เราเรียกกันว่านิวรังั่งอาสาวะมั่งที่มีอยู่ข้างในมันไม่ได้ออกมาทาหน้าที่จากการสวยอารมณ์ของจิตเพราะจิตมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่มันขัดเกลสันดานของเรา ไม่ให้สัญดานของเราต่างๆนั้นมันออกมาทําหน้าที่บางคนก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ใช่ไหมมันไม่ได้ออกมาทําหน้าที่บางคนก็โอ้ดูทีวีในว่วงของเวลาแห่งวันแห่งวันมันเยอะแยะหมดมากหมดบางทีก็นั่งนั่งอยู่มันก็นึกอยากจะเห็นนั่นนึกอยากจะกินนี่นึกอยากที่จะทําอย่างนั้นนึกอยากที่จะทําอย่างนี้เยอะแยะไปหมดสัญดานมันนําพาไปกระจิตเพื่อเข้าสวยอารมณ์เหล่านั้นแต่มันออกมาทํางานไม่ได้ มันออกมาทำหน้าที่ไม่ได้เพราะเราอยู่ในอารมณ์เดียวกับลมหายใจอันนี้เป็นการขัดเราว่าเขาทำเมื่อตอนที่ฉันอนุญาตเท่านั้นใช่ไหมเรียกว่าเราสามารถบริหารจัดการและควบคุมสันดานของเราได้โอ้นี่มันเรื่องใหญ่พอพอบริหารจัดการควบคุมสันดานได้นั่นคือการปรากฏของสภาพธรรมที่เป็นกุศลแหละ ในในในการควบคุมอย่างนั้นได้เนี่ยฮิริเขปรากฏพอเราเกิดความชั่วขึ้นมาความคิดไม่ดีขึ้นมาเห็นความทุจริตขึ้นมาความผิดสินรมขึ้นมามันเกิดความละอายขึ้นมาละมันเกิดความเกรงกลัวขึ้นมาแหละเพราะเรารู้สึกได้ว่าไอสภาพธรรมที่เราจัดการสันดานของตนได้ควบคุมจิตได้อยู่ในอารมาณ์เดียวได้นี่มันสะอาดมันสะอาดกว่ายเยอะพอ พออะไรที่มันเป็นอกุศลโผล่โผโลขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันสกปรกและแปะเปื้อนอันนั้นเป็นฮิริปรากฏโอตปะปรากฏโอ้มันเยอะแยะมากมายและสังคมใดที่สภาพทำอันเป็นกุศลปรากฏต่อคนในสังคมมากๆแบบนี้มันจะเกิดอะไรมันเกิดความสันตินขึ้นนะและประเทศไทยได้รับอานิสงส์นี้แหละอย่าบอกให้ ได้รับอนิสงส์นี้จากผลพวงของบรรพชนบูรพาจารย์บูรพกษัตริย์ที่ท่านนำพามหาชนหมู่มากเข้าภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มสร้างชาติขึ้นมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามกำแหงนุ่นตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนุ่นก็น้อมพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ทำอะไร พุทธศาสนาหน้าที่ของพุทธศาสนาคือฝึกฝนขัดเกลาให้สาภาพธรรมที่เป็นกุศลปรากฏตั้งแต่อดีตมาทันิษฐสยของคนไทยตั้งแต่โบราณ ม, มาจะเป็นพวกที่อ่อนน้อมผอมตนจนเราได้รับสัญญานามว่าสยามเมืองยิ้มมันมาจากสาภาพธรรมที่เป็นกุศลปรากฏในใจของคนหมู่มากภายใต้ร่มของพระพุทธศาสนานี่แหละ นีเราดูนี่เนี่ยในเนี่ยพอรัฐบาลออกมาตรการอะไรป้องกันโลกเนี่ยนะทำหมดปากก็ด่านั่นแหละมือก็เขียนด่านั่นแหละไม่ชอบไม่ชอบแต่ความยอมรับความอ่อนน้อมมันอยู่ในดีเอนเอเนาะนะดี <c oughs> มันยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันมันมันด่านะเออเราเห็นไหมถ้าใครเห็นแนละ้วมาดูแนละ้วเออ ย, ยังขำๆเนะี่ยตำรวจไล่จากผู้ร้ายผู้รา้ายฆ่ายาบ้า วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปถึงจนมุมแล้วจับปุ๊บปุ๊ป๊ล็อกกุญแจมือจับมาหันมาคนร้ายพูดไม่ได้เพราะมันใส่หน้ากากอนามัย <c oughs> <c oughs> มันมันใส่หน้ากากอนามัย <c oughs> เออเ อ, อืมนี่ของเรานะงั้นหลายประเทศเอาประเทศไทยเป็นแบบแต่เราบางคนเรลืมไหมนะว่าเรามีเรื่องเราดีๆเนี่ยเพราะอะไร มันยกจากประเทศใหญ่ๆก็มาสู่หัวจิตหัวใจของเราสู่ความเป็นชีวิตของเรานี่แหละเพียงแค่ราอน้อมกันมาเพื่อที่จะมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านำคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติด้แค่นั่งแป๊บๆสภาพธรรมที่เป็นกุศลปรากฏเยอะมากแล้วที่สำคัญคือว่าเขาให้ระยะของการคิดในการที่จะให้เราตัดสินใจ ของพระพุทธศาสนานี่นะสามารถที่จะให้เราหยุดหยุดบริหารหยุดสันดานของเราที่มันมีอยู่อนี่บางคนเนี่ยให้อยู่บ้านให้นั่งอย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหมน่นเอาไหมให้นั่งอย่างเงี้ยเอาไหมเนี่ยเออแต่มันมันนั่งได้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่ก็เรียกว่าบริหารสันดาน เธอจงอยู่ในอำนาจของฉันเธอต้องทำตามที่ฉันสั่งไม่ใช่ฉันต้องทำตามที่เธอสั่งจำไว้ฉันจะโกรธเมื่อฉันถึงเวลาที่ฉันจะโกรธใช่ไหม <S <S เธ อ, อยามาโกรธก่อนที่ฉันจะสั่ง <c oughs> <c oughs> ะระหว่างที่เราอยู่ในอารมณ์เดียวหยุดนิ่งอยู่เนี่ยมันถูกกดอยู่เรียกว่า เมื่อเรามีสติมันแพ้เราหมดเลยพอจังหวะไหนที่มันใหญ่กว่าเรานะั่นคือเราเราพังเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เราจึงควรที่จะถนอมไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลวจิตใจจาไว้เลยไม่ใช่ถนอมไว้แล้วเอาไปทำอะไรอะ่ะฮะเอาอไปทาอะไรถนอมไม่ทำอะไรป้องกันไม่ทำอะไร ไม่งั้นเรา ไ, า, าไปอยู่อเวกาดีกว่าอยู่อเวกาแล้วไปป้องกันทำไมเป็นดิ่งเป็นได้ก็หายได้มันว่าอืมเป็นเป็นวันหนึ่งสี่ห้าหมื่นก็ไม่เป็นไรคนทั้งเยอะแยะแม่เกิดตายเกิดตายกันเยอะแยะ แต่บ้านเรามันไม่ใช่นะบ้านเราคนมันป้องกันตัวเองอย่างธรรมช า, าตอนนี้มันบอกปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกโอ้ยเืิดได้แล้วเปิดได้แล้วแต่ตัวมันเองก็ป้องกันอย่างเข้มแข็งอนกะอ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนั้นของบ้านเราอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะพุทธศาสนามันอบรมลงมาจนเกิดเป็นประเพณีวัฒนธรรมอย่างรากลึกของความเป็นไทยมาจนถึงวันนี้ได้อั น, นี้เราต้องมองให้ออกก็เราดูเหอะ แต่ถ้าเป็นยุคใหม่ในอนาคตจะลําบากเนี่ยแบบเนี้ยใครที่ไปชื่นชอบสังคมของต่างประเทศบางประเทศนะบางสายพันธุ์ที่เอามาชื่นชอบชื่นชมยกย่องแล้วดูสิการพูดระหว่างผู้นํากับประชาชนนะ่ะผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองไปทางเดียวกันเฮ้ยไปกลัวอะไรมาล่าไวรัสขอมันเกิดได้หายได้ อย่าไปกลัวหน้ากากอนามัยใส่ทำไมอ่ะเราไม่ป่วยป่วยถึงต้องใส่เออประชาชนมันก็เพเห็น ป, ประชาชนเป็นอย่างนั้นพวกนัคือมันความเห็นที่มันเป็นไปอย่างนั้น่ะทั้งทั้งที่มันขัดแย้งกับองค์กรดีๆเช่นองค์างการอนามายัยโลกรัฐบาลตรีสวนักวิชาการอะไรเงี้ยของประเทศตัวเองอะไร ออกมาพูดออกมาคัการออกมาสระเดิมมันก็ไม่คว้างไอ้สังคมแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเขาไม่ได้เติบโตมาจากพุทธศาสนาแบบเราเด้อ mm hmm. ประเทศที่อยู่ในโซนนี้ที่แต่ก่อนอยู่ในร่มของพุทธศาสนาทั้งนั้นนะก็ยังง่ายกว่านะเออยังง่ายกว่าประเทศอินเดียเราสังเกตไหมอินเดีย ประเศอินเดี ย, ดยนี่ก็ใช้ไม้นะไม่เรียวไอ้ใครๆไม่ใช่ไม้เรียวนะไม้ขนาดนั้นน่ะมาเรียกว่าไม้เรียวไม่ได้ขนาดเท่าหัวไม่โป้งเนี่ยยาวๆจะกระทุบหมดอนะไม่ว่าหญิงหรือชายอย่ามาบอกว่าไอ้ฉันสวยฉันรวยฉันใส่เพชรไม่ได้นะแต่อินเดียมึมันหวดหมดอนะออกมามันบอกนี่เอ่อคอฟิวะยังออกมาจะเปิดประตูรถ ดึงออกมาจากรถนะตีตีตีตีเขี้นแมก็กล่าวให้พวกเราได้ฟังว่าเราจะต้องถนอมร่างกายนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อมาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนขัดเกลารจิตถ้าเราถนอมร่างกายนี้ไว้เพื่อการอย่างอื่นไม่ได้ประโยชน์หรอกมันทำลายอย่างเดียว มันทำลายอย่างเดียวเราต้องถนอมร่างกายเพื่อฝึกฝนขัดเกลาจิตเมื่อเราฝึกฝนขัดเกลาเขาแล้วสภาพธรรมที่เป็นกุศลมากมายจะปรากฏขึ้นในขณะที่เราฝึกฝนและหลังจากฝึกฝนแล้วและจิตเราก็จะได้มีประสบการณ์จิตเราได้มีประสบการณ์ในการที่จะเจอองค์ความรู้ที่เป็นธรรมะปรากฏขึ้นในขณะที่เราฝึกฝนจิตตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ อันเบื้องต้นตนชาขออนุมโมทนาเท่านี้นะ